อ่านะเรื่องแฉนี่แหละมีประโยชน์มากเพราะว่าผู้แฉเนี่ยแฉไปเรื่อยแต่ไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้แฉโยนให้อย่างอื่นหมดเลยก็เป็นผู้รู้อย่างเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าไม่พบผู้รู้ตัวเองอ่ะเป็นผู้รู้แท้แต่ไม่พบพบมัวแต่ไปรู้เรื่องอื่นแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกําลังมีความรู้เรื่องนั้นอยู่ทําไมหลวงพ่อพูดตรงนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า ตัวเองเนี่ยที่แท say, ้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่หลวงพ่อสอนเหมือนกับว่าจะบอกว่าให้รู้ตัวเสียเมื่อรู้ตัวแล้วมันมันต่างกับไม่รู้ตัวยังไงอ่าถ้าไม่รู้ตัวมันก็ยังมีความเป็นตัวเราแท้ไปเรื่อยแต่ถ้ารู้ตัวก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแล้วเมื่อสิ่งถูกรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆทั่วไปอที่เป็นสิ่งถูกรู้นะเช่นไปเห็นหมาอย่าเงี้ยหมาก็เป็นสิ่งถูกรู้หมาก็ไม่ใช่เราเพราะหมาเป็นสิ่งถูกรู้ อ่าแล้วก็วัวควายก็เป็นสิ่งถูกรู้วัวควายก็ไม like ่ใช่เราอ่าดังนั้นเมื่อเห็นตัวเราก็จะเห็นว่าตัวเราเมเป็นสิ่งถูกรู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่อาจจะเป็นเราได้แล้วไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับเป็นอารมณ์ทั่วไปอะเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ที่ธรรมชาติที่มารู้ตัวเราอันนี้ต่างหากที่เป็นความหลุดพ้นไปจากตัวเราเป็นความหลุดพ้นเป็นความพ้นไปนะเป็นความหลุดเป็นความพ้นเป็นความพ้นอะไรคําว่าพ้นเนี่ยก็คือพ้นจากสังขารทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะตัวเราทั้งตัวมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วตัวเราคือขันห้าแต่เมื่อรู้ตัวเราก็คือพ้นจากขันห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้หลุดพ้นเนี่ยนะให้หลุดพ้นไปคือไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยอเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอย่างน้อยมันก็เกิดระดับสติปัญญาขึ้นมาว่าอา้าวนี่หลุดพ้นแล้วนี่หลุดพ้นเพราะพระรู้เราอ่าเห็นไหมจับทางได้เหลุดพ้นเพราะรู้ตัวเราแล้วอะไรมาหลุดพ้นก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันหลุดพ้นแต่ว่ามันมีอยู่ ก็คือตัวที่รู้เราว่าแหละหลุดพ้นเราก็เป็นแค่ตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แจ้งรู้แจ้งอย่างเนี้มันก็ยิ่งหลุดพ้นยิ่งรู้แจ้งแบบแจ้งแจ้งแจ้งแจ้งแจ้งอย่างเนี้ยมันไม่มีทางที่จะกลับมายึดถือตัวเราได้อีกแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเราก็เป็นสังขารปกติทั่วไปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตายไปดับไปเป็นธรรมดา น, มนี่หลุดพ้นหลวงพ่อจึงเน้นมากเลยบอกให้รู้ตัว แต่บางคนก็โอเคเราเข้าใจได้ว่าเขาไม่เข้าใจแต่เมื่อไม่เข้าใจก็ให้คุยมาแล้วก็จ ะ, <c oughs> จ, ะจะค่อยๆ ย, ยกตัวอย่างประกอบจะยกตัวอย่างไปเรื่อยแล้วก็จะเกิดการเข้าใจเมื่อเกิดการเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าเข้าใจสักแว็บเดียวก็ยังดีเพราะว่าไอ้แว็บเดียวนี่แหละก็มันเป็นจุดก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้มีการพัฒนานะมีการพัฒนาเหมือนกับ ว, ว่าต่อยอดไปเรื่อยจนกระทั่งรู้แจ้งที่พูดอย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันเพราะเหตุว่า เมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่รู้แว็บเดียวเนี่ยว่าไอ้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันยังยากอยู่ที่จะทําให้แจ้งอะ น, นะแต่ก็ยังเหมือนกับว่าเพียรเอาประสบการณ์นี่แหละทาให้เกิดการรู้ตัวขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆโดยเขาเรียก ว, ว่าโดยเขาเรียก ว, ว่ามันเป็นส่วนตัวนะอย่างเช่นนะสมมติยมแม่ไม่รู้เคยฟังหลวงพ่อไหมนะหลวงพ่อพูดถึงไอ้เรื่องรู้ตัวเนี่ยครั้งแรกๆเลยเนี่ยมันเป็นยังไงขอขอเล่าซ้ํานะเผื่อคนอื่นที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ จะได้น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็พินาตามนะคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้คือมีอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ที่เราศรัทธาเลยแหละ ว, ว่าอาจารย์องค์นี้เป็นผู้รู้จริงเป็นผู้สอนได้ถูกต้องเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เราฟังแล้วเนี่ยมันเก็ตไปหมดเลยว่าโอ้ยใช่เลยใช่เลยเนี่ยก็เกิดแรงศรัทธาทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งอ่ะท่านบอกว่า เ, เรื่องของการเห็นนี่นะเขาบอกท่านบอกว่ามันมีแต่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มี โยมลองฟังดูนะถ้าเป็นโยมถ้าได้ยินคําเนี้โยมจะว่ายังไงท่านบอกว่ามีแต่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีอ่าทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาตอนนั้นคุยกันทางโทรศัพท์เนอะท่านยกตัวอย่างท่านบอกว่าเอารองสังเกตอย่างนี้ที่ดูนาฬิกาเนี่ยที่มันแขวนอยู่ที่ผนังเลยนะนาฬิกาที่มีลูกตุ้มอะ่ะนาฬิกาแขวนเนาะเห็นไหมมันมีแต่ ม, ม, ม, ม, มันเออมันก็เรียกว่ามันมันมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนาะมันก็มีแค่นั้นเอง มันเมีย่ยงไปเมี่ยงมาเมี่ยงไปเมี่ยงมามันก็มีแค่นั้นเนี่มีแค่สิ่งถูกรู้แต่ผู้มีแต่แค่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีพอหลวงพ่อฟังแบบนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็มามองดูอย่างอื่นก็ได้คือตอนนั้นมันไม่มีนาฬิกาอย่างที่ท่านว่าอ่าเนาะหลวงพ่อก็มองมาที่ผนังนั่นแหละอะไรก็ได้ที่อยู่ที่ผนังหลวงพ่อก็ยืนมองอยู่พอมองไปมองมามันก็เถียงในใจว่าเอออาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็น แต่ความจริงอ่ะก็มีตัวเราเป็นผู้เห็นอยู่นี่นาเนี่ยตัวเราชัดๆเลยเนี่ยตัวเรายือนอยู่หน้านาฬิกาเนาะจริงๆอ่ะเรื่องนี้หลวงพ่อเรียนธรรมะมาหลายปีแล้วนะแต่หลวงพ่อไม่เคยเจอแบบเคสนี้ไงแต่ก็ยังหลงผิดยังเข้าใจผิดอยู่ก็เลยมามาทดสอบมาทำดูว่าอี่อาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เราไงเราเป็นผู้เห็นเราไม่เป็นผู้ยืนเป็นผู้มอง เป็นผู้แลเนี่ยตัวเราทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นผู้จองเป็นผู้คิดเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้หาคำตอบโอ้ยเราทั้งนั้นเลยแต่อย่างไงก็ตามก็ยังมีตัวเราที่เป็นผู้เห็นนาฬิกาอยู่อ่าแต่ทีนี้ด้วยความศรัทธาโยมศรัทธาของอาจารย์เราศรัทธาอาจารย์อาจารย์ต้องพูดถูกแน่แต่เราเองต่างหากที่ไม่เข้าใจหลวงพ่อก็เลยมาทำใหม่ไงมาทำใหม่ก็มายืนดู มายืนดูทีนี้หลวงพ่อใช้ลูกค้าๆทำนองว่าเพ่งเข้าไปเลยเพ่งไปที่นาอ่าไอ้ที่ผนังอะนะที่มีรูปอะไรอะไก็ได้เพ่งไปพอเพ่งนานๆเนี่ยโยมมันเกิดความแบบปิ๊งขึ้นมาเลยขณะ จ, จิตเดียวคือทําให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, ไอตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูเนี่ยที่เป็นผู้เพ่งนลยนะโอ้มันอยู่ตรงนี้แต่นาฬิกามันอยู่ตรงนู่น ก็เลยเห็นตัวเราขึ้นมาว่าไอ้ตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไงว่าถูกเห็นว่าอ๋อเรานี่นะเป็นผู้ยืนดูอยู่ตอนแรกอ่ะเราเหมือนกับว่าเราเป็นผู้เห็นแต่มาบัดนี้เราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วแล้วมันเกิดปัญญาคือเข้าใจธรรมชาติที่เห็นตัวเราขึ้นมาไงว่าโอ้ไอ้ธรรมชาติที่เห็นตัวเราเนาะมันไม่ใช่ตัวเรานี่แต่มันเห็นเราได้ มันเห็นเราขณะที่เรากําลังเป็นผู้ยืนดูมันก็เห็นเราขณะที่เราเป็นผู้มองมันก็เห็นเราขณะที่เราเป็นผู้เพ่งมันก็เห็นเราขณะที่เรากําลังมีปัญหามีข้อสงสัยมันก็เห็นเราโอ้มันเห็นเรานี่ไงที่อาจารย์บอกว่าผู้เห็นไม่มีถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะว่าไอธรรมชาติที่เห็นเราอ่ะมันไม่ได้เป็นผู้หนึ่งผู้ใดมันไม่ได้เป็นมีตัวมีตนอะไรเลยมันเป็นความไม่ปรากฏ มันเป็นความให้ปรากฏจริงๆเนี่ยแม่แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยโยมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็รู้เรานะแล้วถามว่ามันปรากฏอยู่ที่ไหน่ไม่มีการปรากฏแต่มันรู้เราได้มันเห็นเราได้พอได้แวบตรงเนี้ยหลวงพ่อไม่ไม่ปล่อยมือแล้วถือว่ามันเป็นความรู้ใหม่แล้วก็ต้องทําให้ชานาญหลวงพ่อก็เอาสูตรเดิมก็หัดยืนมองอะไรก็ได้ยืนมองพอยืนมองปั๊บตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าการเห็นตัวเรานี่เนาะมันวิ่งไปวิ่งมาคือ มันวิ่งไปเห็นสิ่งที่ถูกเห็นบ้างแล้ววิ่งมาดูตัวเราบ้างวิ่งไปสิ่งที่ถูกเห็นบ้างมันวิ่งไปวิ่งมาแต่ทีนี้พออยู่นิ่งๆเหมือนกับว่าลองทำแบบไม่วิ่งดูทีพอทําแบบไม่วิ่งปั๊บเอามันก็รู้ตัวเราเลยคือมันรู้เลยว่าไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาแล้วแล้วมันก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่วิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเป็นสิ่งถูกรู้ก็เลยยิ่งชัดขึ้นว่า ไอ้ธรรมชาติที่รู้เราหรือว่าธรรมชาติที่เห็นเราเนี่ยมันไม่ได้วิ่งมันไม่ได้ไปมันไม่ได้มาแต่สิ่งที่วิ่งไปวิ่งมามันเป็นสิ่งถูกเห็นนะก็เลยเข้าใจเข้าไปอีกว่าโอ้ไอ้ที่บอกว่าวิ่งไปวิ่งมานี่มันเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเลยแล้วเท่นี้หลวงพ่อก็ได้จับทางนะั่นก็คือไปทดสอบกับการเดินว่าเฮ้ยตอนนี้ลองเดินดูที่มันรู้เราได้ไหมโอ้มันรู้ได้ลองนั่งดูที่มันรู้เราได้ไหมอ๋อมันก็รู้ได้ลองคลานดูที่ มันรู้เราผมได้ลองมุดเข้าไปในที่ตรงนั้นตรงนี้ดูทีมันรู้เราได้มันอ้มันรู้ได้เข้าไปอยู่ห้องน้ำทีโอ้มันก็รู้เราได้ตรงเนี้มันยิ่งชํานาญแลยคันนี้โยมทีเนี้ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่ามันมีประสบการณ์แล้วมันง่ายแล้วไงในการรู้เราไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนเนาะมันก็รู้เรารู้เราแบบรู้ทั้งตัวนะเออมันรู้แบบรวมรวมอะรู้ว่าไอ้ที่เรียกว่าเรามันคืออะไรมันก็รู้แบบรวมรวม พอเป็นอย่างนี้ยมันก็ใช้คำพูดได้เลยว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่มีหรือว่าผู้เห็นไม่มีคำว่าไม่มีนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีจริงๆคือมันมีแต่เป็นความมีที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏให้เป็นสิ่งถูกเห็นไม่ปรากฏให้เป็นสิ่งถูกรู้ได้ก็หมายความว่าเอาขันห้าเนี่ยนะเอาขันห้าเนี่ยไปดูไปรู้ไอธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยไม่มีทางที่จะไปรู้ได้เช่น เอาตาไปดูว่าไอ้ธรรมชาติรู้เรามันเป็นยังไงก็มองไม่เห็นเอาหูไปฟังมันก็ไม่ได้ยินเอาจมูกไปดมว่าไอ้ที่รู้เรามันอยู่ก็ไม่อาจจะรู้ได้เอากายไปสัมผัสเอามือไปรูปไปจับเอา้าก็จับไม่เจอจับไม่ได้เอาเอาเอาความคิดเอาความอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่อาจจะหาเจอได้ตรงนี้เลยมันเป็นความรู้สึกแบบพิสูจน์เป็นปัจจตังได้เลยว่า มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่อาจจะเอาอายตนะเนี่ยซึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยไปรู้ธรรมชาติอันนั้นได้เพราะธรรมชาติอนันต์เนี่ยเป็นความพ้นไปจากความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏรูปพันสันฐานใดใทั้งหมดแล้วมันก็ไม่อาจจะถูกรู้ได้จริงๆเพราะถ้าถูกรู้ได้ด้วยอายตนะเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่รู้แล้วมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่า ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นที่สุดแห่งทุกคือเป็นความพ้นไปจากทุกขแล้วสูตรเนี้หลวงพ่อมาดูพินาสูตรพระพายยะนะ้องว่าเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเนียการใดแลเนี่ยถ้าสักแต่ว่าแบบเนี้ยตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองเป๊กเลยก็คือว่าการเห็นก็ดีไม่มีผู้เห็น ก็มีแต่สักแต่เห็นคือไม่มีตัวตนของผู้เห็นเมื่อไม่มีตัวตนผู้ผูเห็นตัวเธอก็จะไม่มีเมื่อได้ยินก็เหมือนกันก็สักแต่ว่าได้ยินแต่ไม่ใช่มีใครเป็นผู้ได้ยินมีแต่สภาพธรรมะที่ได้ยินอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเธอเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อทราบเมื่อรู้แจ้งเนี่ยถ้าเข้าใจแบบเนี้ยเห็นสภาวะธรรมเข้าใจมีปัญญาเนอะรู้จักจริงๆก็เท่ากับว่าในปัจจุบันขนาดเนี้ยที่กําลังได้ ได้ยินก็ดีกําลังเห็นก็ดีมันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงแล้วมันรับทราบรับรู้ได้เองจริงๆตรงนี้แหละพระพายะมีปัญญามากทั้งเออก็เลยเข้าใจแล้วก็จิตหลุดพ้นคือพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นก็คือบรรลุธรรมเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่เรามาแชร์กันมาเล่ากันนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครต้องเชื่อแต่เป็นเรื่องที่ต้องฟังแล้วพิจารณาแล้วลองไปทดลอง เรื่องนี้ต้องไปทดลองถ้าไม่ทดลองมันก็รู้ไม่ได้อาศัยลําพังเพียงแต่คิดนะเพียงแต่คิดคิดคิ ด, คดอย่างนี้ก็รู้ไม่ได้ต้องอาศัยทดลองอย่างที่หลวงพ่อทดลองมานะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเนี่ยรู้ตัวเห็นตัวเห็นตัวเองรู้ตัวเองจะนั่งจะเดินจะเข้าห้องน้องจะขับถ่ายหรือแม้กระทั่งว่าไอ้ความคิดเนี่ยอารมณ์เนี่ยที่มันเป็นในจิตในใจนะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมด อาการนะอาการที่เป็นเอาสมมติว่าเกิดขึ้นในจิตในใจอ่ะนะมันก็เป็นอาการคือเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้แท้รู้จริงๆรอ่ะรู้ที่ไม่เป็นสังขาร่ะมันย่อมรู้สิ่งที่เกิดที่ดับได้อยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปมันรู้เตี้ยงหมดเลยรู้ทั้งสิ่งเกิดรู้ทั้งสิ่งดับแต่ธรรมชาติรู้อันนั้นน่นธรรมชาติเห็นนะ มันไม่มีการปรากฏการเกิดนะไม่มีการปรากฏก็เท่ากับว่าไม่มีการเกิดนั่นแสดงว่าเป็นอ ม, มะตะเป็นอมตะธรรมนะเป็นนิรันการอยู่เช่นนั้นแล้วสิ่งนั้นถามว่าจริงๆมันอยู่ที่ไหนบ้างก็ในตัวเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีแล้วก็ในตัวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในตัวสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยที่เป็นที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยนะพวกนี้มันอยู่ทั่วไปหมดแหละมีอยู่ทุกขนทุกแห่งนะแล้วสมมติว่า สมมติว่าเรื่องถึงตัวเรานะถามว่าทําไมจึงบอกว่ามีอยู่ทุกขนทุกแห่งสมมติว่าโยมอยู่ที่นี่ธรรมชาติรู้หรือธรรมชาติเห็นมันก็รู้ได้ว่าอยู่ที่นี่คือเพราะมันเห็นตัวเราไงเราจะไปอยู่ที่นู่นที่ไหนก็ได้มันก็รู้ตัวเราอยู่ที่นั่นแหละหมายความว่าถ้าเราจะไปนั่งอยู่จังหวัดนี้นั่งอยู่ตรงนี้มันก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้พอเราไประหว่างเดินทางเราไปไหนมันก็รู้ตัวเราแล้วก็พอเราไปอยู่จังหวัดนู้นมันก็เห็นตัวเราว่าอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติรู้เนี่ยมันจึงมีรู้อยู่มันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งแต่มันไม่ใช่หนา้ามันไม่ใช่ตัวเราตรงเนี้คมันเป็นเรื่องที่หลหวงพ่อก็มองเนาะว่าบางทีเออเนาะปัญญาถ้าไปไม่ถึงมันก็เข้าใจไม่ได้ไงเหมือนกับว่าเต่ากับเต่ากับปลาเนาะนิทานเรื่องเต่ากับปลาเนี่ยถ้าเคยเคยได้ยินก็คงเข้าใจได้ว่าปลาเนี่ยเวลามันถามปัญหาเต่าอ่ะเพราะเต่ามันเป็นสัตว์ทั้งครึ่งบกครึ่งน้ําเนาะรู้เรื่องในน้ําได้รู้เรื่องบนบกได้ แต่ปลาเนี่ยมันรู้แต่ในน้ําอย่างเดียวแล้วมันก็มาถามเรื่องบนบกว่าบนบกอ่ะมันมีคลื่นไหมเออมันเป็นยังไงปลาเนี่ยถามแต่คําถามแต่เรื่องในน้ําแต่เต่าอ่ะอมันรู้จักบนบกมันบอกไม่มีหรอกที่คุณถามไม่มีไม่มีมมอันเนี้ยอุปมาได้ฉันใดฉันนั้นก็หมายความว่าผู้ที่ถ้าเข้าใจธรรมะเห็นตามได้ก็จะเข้าใจได้แต่ถ้ายังไม่เห็นเนาะมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้คือเข้าใจไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ ถ้ามีความเพียรไม่ตายเจอก่อนนะ อ, อแล้วก็ปฏิบัติธรรมฝึกเจริญสติให้มากรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็จะรู้ได้รู้ตามได้นะอ่ะทีนี้เชิญต่อใครจะกผู้ท่าหลวงพ่อมันจะมกีกับดักเหมือนกันครับหลวงพ่อฝึกความรู้สึกตัวหรือบางคนที่ไม่ได้ฝึกันครับส่วนใหญ่นักปฏิบัติธรรมพอเห็นว่าอะไรที่มันลำบากซับซ้อนก็อาจจะบอกว่าเออไม่ใช่จริตแล้วไม่ถูกกับจริตเราศูนย์ตกลงว่าภาษาใต้คือ ไม่ทำเลิกทำก็คือว่าอะไรก็ตามที่ที่เหมาะกับตัวเองก็เอ อ, อ น, นี่ถูกจดิตชั้นทำชั้นฟังได้ครูบาอาจายนี้ฉั้นถูกจดิตสอนในสิ่งที่ฉันคิดว่าชั้นถนัดแต่พอเป็นลักษณะเ อ, อิ่มไอ้แบบนี้ไม่ไม่น่าจะเข้าถึงได้เพราะามาพูดอะไรถูกรู้ถูกตัวอะไรแบบนี้น่าจะไม่ใช่แล้วพ้นศูนย์ตกลงไม่ฟังแต่ว่าเออผู้ที่เปิดว่างก็คือว่าเออฟังแล้วก็ผมตอนหลังผมก็เข้าใจเลยว่าทําไมนโมสวดสามจบทําไมไม่สวดจบเดียวก็คือ มีความนอบน้อมทางกายมีความนอบน้อมทางวาจามีความนอบน้อมทางใจดังนั้นเวลาจะบทสวดต่างๆเขาจะต้องนับโมสามจบเสมอครับขอ บ, ขอบคุณครับสวัสดีครับก็อีกข้อหนึ่งที่เพิ่นดูนยครับผมเนี่ยครับก็ยอมรับว่าผมเนี่ยมักจะติดเบ็ดติดเบ็ดของสังขาระขันตลอดนะครับไอการที่ไปรู้มากว่าดีไหมดีมันเหมือนดาบสองคมครับแต่ถ้ารู้แล้วจบที่รู้มันก็จบแต่มันไม่ไม่จบ เพราะว่าเลยมันก็มีความสงสัยอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติผมนึกเข้าใจว่าที่เขาส่วนมนต์ตอนย็นว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอนะครับเพราะว่าถือแบกหนักเอาของทุกของในโลกเนี่ยซึ่งอย่างหลวงพ่อบอกว่าถ้าเจอตัวตนเข้าไปรู้แล้วเนี่ยก็จะสลัดของหนักนิ้งทิ้งเสียลงได้ก็เป็นสุขใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้เราก็บางคนก็ยังมีความหลงอีกละก็ไปหยิบฉวยเอาของหนักนั้นขึ้นมาอีกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าดู น, นะนู่นนั่นขวดน้ําอะไรที่เป็นข้างนอก มันเป็นสิ่งของแล้วมาดูตัวเราผมก็มาเข้าใจว่าอ๋อเรานี่โง่ไปหยิบฉวยเอาของหนักเนะี่ยที่มันมันเป็นหนักอื่นนะขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการสลัดทิ้งของหนักเนี่ยไม่ธรรมดามันต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างการที่โดนอ่าได้ได้ได้หลวงบ้างเผื่อบ้างเนี่ยก็ดีครับคุณหลวงพ่อที่เมตตาครับเมื่อกี้ขอเสริมนิดนึงนะเมื่อกี้อ่ะยงเพลิ่งพูดคําว่าของของั้งของทั้งหเป็นของหนักเน้อเนี่ย แต่สิ่งที่หนักที่สุดคืออวิชานะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ยังมีของหนักนะก็เป็นผู้ที่ยังหลงลืมสติขาดสตินะหนักที่มีอุปทานมีตัวตนเพราะว่าไปหลงกับสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็เอาตัวผู้รู้ไปจับกับสิ่งที่ถูกรู้มาเป็นอารมณ์แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอารมณ์ภายนอกเนะี่ยมาควบคุมตัวรู้อีกทีหนึง่งเลยทาให้ตัวรู้หาหาตัวไม่เจอ <c oughs> มีแต่ตัวตนนะ เป็นของหนักนะแต่ผู้ที่เริ่มฝึกศึกสติอก็จะเป็นผู้ที่กลับมารู้เราเนะอ่ะเห็นเราอยู่ในกฎของใจและของความทุกสภาวะที่ปรากฏมันก็ยังดำรงอยู่เพราะคันห้ายังไม่ดับนะถ้าที่มันหนักก็ว่ามันหนักคันห้าเพราะว่าเกิดจากการที่ไปหลงตัวหลงตนหลงถูกหลงผิดมันก็จะมีคําเป็นคู่คนูะ่นะ่ะเมื่อใด มีการใช้คำว่าสังขารหลงสังขารนียนะก็จะมีคำว่ามีถูกมีผิดมีได้มีเสียมีผู้ชนะมีผู้ไม่ชนะแต่เมื่อใดผู้ทีนะ่เห็นความเกิดดับเห็นความเสื่อมสลายเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้นะพุทธเจ้าทัาญจลงท้ายหมดเลยนะเนี่ยเบื้องต้นทาการที่สุดเบื้องต้นคือความไม่เที่ยงของกายของใจทาการคือความเสื่อมสลายของกายของใจที่สุดคือที่พูดมาทั้งหมดน่ะ หรือสิ่งที่ปรากฏด้วยสิ่งทั้งผู้รู้และสิ่งที่กลัวมันบังคับไม่ได้ควรหรือว่าสิ่งนั้นเป็นเราควรหรือว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นควรหรือนท่านพยายามใช้สิ่งอันนี้เพื่อเป็นการให้ออกจากสมมุติแต่เราก็ต้องอาศัยสมมุติเพราะว่าเพื่อเอาเป็นสมมุติโดยสัจจะนะเพื่อเข้าสู่วิมุตมติธรรมคือความจริงท่านบอกว่าถ้าถ้าความว่างที่แท้จริงเงาของความว่างคือความเงียบเสมอ บอกว่าสิ่งใดที่พูดได้สิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมชาติสิ่งใดที่พูดได้เมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเสมอแต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งเพื่อเข้าสู่สภาวะที่ไม่ปรุงแต่งาการที่จะละตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยเป็นสติความรู้สึกตัวรู้ไหมว่าปัจจุบันขณะที่รู้สึกตัวมีตัวตนหรือเปล่าถ้ามีตัวตน ก็จะหลงทั้งวันทั้งคืนไม่กระทั่งหลงสภาวะว่างสงสภาวะนิพพานได้แล้วอะไรมีความเป็นคู่คู่อยู่แต่เมื่อใดเห็นสิ่งที่เป็นคู่อ่ะคือคําว่าว่างและไม่ว่างอ่ะมันมันต้องเป็นสภาวะตัวที่ปัจจากคําว่าพ้นจากคําว่าว่างและพ้นจากคําว่าไม่ว่างอ่ะตรงนั้นแหละคือสิ่งที่มันทําให้ออกจากของหนักได้พันโมทนาข อ, ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะคือ คือคนส่วนใหญ่อะมันเผลอไปแล้วมันก็จะหลงไว้ในส่วนสุดๆทั้งสองเพราะว่าเวลาเวลาที่คิดว่าผักใส่อย่างนึงออกไปเนาะมันก็เป็นการไปอยู่ในข้างหนึง่งเวลาคิดว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอามันก็กลับไปอยู่กับอีกข้างหนึง่งเพราะฉะนั้นไอ้อาจารย์ที่มันจะพ้นทุกเนี่ยมันคือสิ่งที่ มันคือสิ่งที่ไม่เข้าไปอยู่ในส่วนสุ ด, สดทั้งสองซึ่งการที่มันจะไม่เข้าไปอยู่ในส่วนสุดๆทั้งสองได้เนี่ยมันก็คือการที่หมดตัวหมดตนหรือหรือว่าตัวตนบางลงจนกระทั่งมันมองเห็นว่าแม้แต่ตัวตนเรามันก็ไม่ได้เป็นสาระอย่างเงี้ยือเมื่อมันมีความรู้สึกตัวตัวตนบางลงเล็กลงจนกระทั่ง ตัวตอนไม่เป็นสาระไม่ต้องไปนับเรื่องความล้มความรู้เลยเนาะพวกนั้นยิ่งยิ่งจะลุงรังใหญ่แต่เอาแค่ตัวตอนนี้แหละพอเมื่อตัวตอนนั้นไม่ได้เป็นสาระแล้วเนี่ยความยึดถือมันน้อยลงเมื่อความยึดถือมันน้อยลงความปล่อยวางก็สามารถบังเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติเป็นอัตโนมัติได้เลยก็ประมาณเนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราขอเสริมนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้โยมแหม่มพูดชัดเจนเนาะ พวกเราเนี่ถ้าเกิดมันให้รู้เท่าทันอารมณ์นะะถ้าเป็นขันขันหนักแล้วมันหนักก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์นะถ้าผูดด้ใดที่เป็นผู้ที่แบบรู้เท่าทันรู้เมื่อไหรนะ่เนี่ะรู้ว่าเรารู้เท่าทันก่อนที่สิ่งนั้นจะปรากฏได้เมื่อไหร่นะเราก็จะไม่มีไม่ได้ไม่ไปหลงไปยึดติดกับสิ่งที่มันปรากฏนะทุกสภาวะเนะี่ยทั้งที่อันในตัวของมันเองเนี่ยมันก็ว่างอยู่แล้วนะแต่เมื่อไหรนะ่นี่ย เราไปหลงกับสิ่งที่ถูกรู้เข้าแล้วแล้วเนะี่เราก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็ไปหลงนะมันก็จะไม่ว่างนะก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากนะยมแแบบนะชัดเจนนะอ๋อค่ ะ, ะการนมัสการหลวงพ่อออดค่ะแล้วก็เท่านพลอยด้วยค่ะค่ะก็เมื่อกี้ได้ได้ฟังหลายๆท่านก็ โ, โหเยี่ยมเลยค่ะแบบว่าสนับสนุนกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยค่ะมันก็มีมีทั้งเบื้องต้นนะเรื่องกลาง แล้วก็ตอนปลายนะคะจริงๆถ้าชีวิตคนเราเนี่ยค่ะไม่ได้มีการรับรู้นะคะไม่มีความรู้สึกนึกคิดหรือว่าไม่มีอารมณ์เลยว่าจะดีใจเสียใจไม่มีความหิวความอิ่มหรือว่าไม่มีความสุขที่ปรารถนาหรือว่าไม่มีทุกข์ที่ปฏิเสธเนี่ยจริงๆแล้วคนเราจะรู้จักคุณค่าของชีวิตแท้จริงเนี่ยไม่ได้นะคะธรรมชาติาเนี่ยจึงสร้างให้มนุษย์เราเนี่ยก็ต้องดิ้นรนนะคะ เลี้ยงปเอีงท้องมีงานการมีความลําบากมีการทดสอบนะคะระหว่างรายทางเพื่อที่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้จักตนเองมากขึ้นทีเนี้เราต้องเน้นการรู้จักตัวเองเท่ากับเราเนี่ยได้รู้จักโลกแล้วก็สปปรรพสิ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามเนะะี่ยเขาก็คือเราทชีวิตไม่ต่างกันนะคะมีความหิวมีความอิ่มมีความเจ็บป่วยทุกข์ไม่ต่างกันขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ย ก็ย่อมพบเจอไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นคนเราจะอยู่กับตัวเองอย่างถ้าเราไม่ได้อยู่กับพวกเนี้นะคะก็จะไม่มีใจนะก็หลับไหลไปเพราะฉะนั้นเเพื่อที่จะรู้ว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยทําให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นของยากนะคะถ้าแม้เสี้ยวชัวินาทีเดียวถ้าประมาทก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากพื้นฐานนะคะ เพื่อคนดาวังมีอารมณ์รู้สึกอันเรียกว่าไอตัวใจเนี่ยคะเจ้ายังรู้สึกปกติเหมือนกับสิ่งชีวิตอื่นๆนี่แหละค่ะเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่นะคะเพามรู้สึกเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความรู้สึกแบบของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเนะะี่ยค่ะก็มีทั้งความสุขความเศร้าดีใจเสียใจไม่สมปรารถนาบ้างหรืออะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่การเตรียมเพื่อใช้ในลําดับต่อไปอะเมื่อกี้คือเบื้องต้นถูก ไ, ไหมคะ เรื่องการก็คือเห็นความสําคัญแล้วก็โอกาสที่แท้จริงที่ได้รับจากธรรมชาตินี่ค่ะเมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยค่ะเราก็สามารถไปต่อในเรื่องของการพัฒนาจิตนะคะในเรื่องระดับความหลุดพ้นเพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์ที่ไม่ปรารถนาในชีวิตของเรานะคะระดับชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็มีสุขก็จริงแต่ก็ยังมีทุกข์มากนะคะเพราะเราเห็นความจริงใ น, นส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าหาความจริงธรรมชาติเนี่ยได้ง่ายขึ้น เราก็มีอิสระไปจากความทุกข์ที่เคยมีอย่างในโลกโลกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าพัฒนาตนเองเนี่ยไปสู่การมีชีวิตที่แท้จริงหรือว่าประเสริฐกว่านี้ได้ส่วนในเบื้องปลายนะคะเมื่อเราเห็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยแล้วเนี่ยนะค ะ, ะ, คะก็ใช้ชีวิตในความประเสริฐแล้วก็เป็นอีกแบบเหมือนกับลิกฝ่ามือไปค่ะน ะ, ะ, นะะมีอะไรที่ต่างออไปให้ชีวิตที่ทั้งที่ชีวิตเดียวกันนะคะสุขมีมากขึ้นทุกข์ก็ดับลงไปแทบจะไม่เหลือเลยจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้หรือสุขหรือทุกข์ค่ ะ, คะไม่ว่าทุกข์กับสุขมีค่าเท่ากันแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะคกลไกธรรมชาติเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นความเป็นจริงของมนุษย์จากนั้นเราก็แค่พัฒนาสู่จิตนะคะสูงสุดเพื่อให้คนเราเนี่ยได้เป็นตัวเราที่แท้จริงโดยที่จริงๆคําว่าเรามันก็ไม่ได้มีนะคะเพราะมันเป็นแค่บัญญัติสมมติบัญญัติขึ้นมาเหมือนกับที่พี่แหม่มบอกหรือว่าเ อ, อท่านพลอยหรือว่าคุณอนนท์เนี่ยบอกนะคะ ว่าจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่แล้วนะคะซึ่งตั้งแต่เราเนี่ยจะได้พบเจอมันแบบไหนนะคะแล้วเราจะเข้าใจมันได้ยังไงเพราะว่าคนเราเนี่ยจริงๆเกิดมาเนี่ยนะคะจริงๆถามว่าเกิดไหมจริงๆก็ไม่ได้เกิดนะคะมันเป็นแค่การรวมของธาตุต่างๆนะคะเดี๋ยวไม่ได้พิมพ์ลิงก์ไว้นะคะเดีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพิมพ์ว่า เ, เกี่ยวกับเรื่องความจริงของชีวิตนะคะว่าในชีวิตเรา เรามาเนี่ยเรามาเพื่ออะไรแล้วเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามาอยู่ตรงเนี้ยน ะ, ะเหมือนกับมามาบังเกิดเกิดขึ้นนะคะหรือปรากฏเกิดเกิดขึ้นเนี่ยเรามาทำอะไรและเมื่อเราสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่สลายไปสู่ธรรมชาติเดิมเนี่ยนะคะเพื่อความเป็นนิรันดรในตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยค่ะมันมีเขาเรียกอวิชชานะคะเข้ามาเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยมันก็ เกบเกี่ยวทุกทุกอย่างเลยค่ะมาไวที่ตัวเรายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยร่วมถึงความคิดด้วยนะคะถ้าจริงๆถ้าเราเอาชนะเดี๋ยวเรียกว่าเอาชนะเลยดีกว่าเราเห็นมันแค่ความคิดเนี่ยค่ะเหมือนกับหนึ่งของพ่อเนี่ยสอนก็นคือปกติเนี่ยคือเรารู้นะคะเมื่อที่คุณจอมพงษ์บอกนะคะเมื่อไหร่ที่รู้เราเมื่อ น, นั้นนะคะน ะ, คะเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆชีวิตเรามันเป็นยังไงมันเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไร ทำใหนึกถึงคําสอนของท่านผู้รุท้าท์เนี่ยค่ะว่าจริงๆชีวิตเราเกิดมามีแค่สองหน้าที่นะคะหน้าที่แรกก็คือที่ต้องทําอยู่แล้วคือตายไปน ะ, ะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายนะนาที่ที่สองคือยังประโยชน์ในขณะที่ยังไม่ตายเนะะี่ยให้มีชีวิตที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดอน ะ, ะโดยประมาณนะคะ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องอีกห้านาทีหรืออาจจะต้องไปขออนุญาตหลวงพ่อเดี๋ยวหนูกลับเข้ า, าใหม่ไปอ่านหนังสือเสียงก่อนนะคะเอ่อจะรบกวนถามหลวงพ่อนิด น, นึงค่ะเออของอาจารย์นิโรธเนี่ยค่ะหลวงพ่อเคยได้ยินหนังสือเรื่องเก้าคนทุกสู่สุขดวยจิตที่ว่างเปล่าหรือเปล่าอ่ะคะอ๋อเคยเคอ่าแบบเป็นทางเดนใช่ไหมคะหลวงพ่อก็คงเป็นแนวนั้นน่ะนะอ่ายวได้รับหนังนะสือแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สั่งเฉพาะ ก็แค่สั่งเล่มอะค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเล่มอื่นก็ ค, คล้ายๆกันเพราะว่าจริงๆถ้าเรารู้คอนเซปต์แล้วเพราะอย่างวันนี้มีมีมก็มีเพื่อนในครบเาสค่ะก็มีประเด็นมาถามค่ะท่านบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีเคสนะคะมีะการตั้งกลุ่มห้องห้องหนึ่งนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับว่าเรียรายบริจาคนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยป่วยนะคะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรสักอย่างเป็นโรคอะไไม่มทราบแล้วก็รับบริจาค บางคนโอนไปเนี่ยสูโอนไปร้อยหนึ่งแต่โอนไปประมาณหนึ่งร้อยคนนะคะแล้วตอนหลังเขาก็ไปค้นคว้ามานะคะว่าโอ้ใน Google ว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพเขาก็เลยมาถามว่าเออเราควรจะไปบอกคนที่โอนไปไหมว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะนุยบอกว่าจริงๆแล้วอะลองนึกถึงเออไม่มีมคําสอนนะคะของพระเจ้าท่าบอกว่าเหมือนกับลูกศรเนี่ยคะ่ะนะคะปกติเนี่ย ถ้าลูกสรมันยิงมาโดนกายเราเนี่ยเราก็รู้สึกเจ็บนะคะอย่าให้ลูกศรลูกที่สองมันโดนมายิงที่ใจเราเลยนะคะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือถึงแม้มันจะเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้ความจริงว่า อ, อ๋อมันไม่ใช่แบบที่เราต้องการเราก็แค่ดูมันค่ะนะคะแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือเหตุและผลเราอาจจะไม่ต้องไปประเปบาประกาศทําให้อีกคนเสียความรู้สึกก็ได้ ที่แต่ว่าเรารูว่าเราต้องทำอะไรแล้วต่อไปเราต้องหยุดอะไรเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าคือไม่ใช่แค่เราเห็นตัวเรานะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ เ, เรารู้แต่กลายเป็นรู้เรานะคะครับถ้าไม่ได้หลวงพ่อมาเกื้อกูลว่าความรู้ทั้งหลายหรือว่าเออที่เรารู้นี่ครับเป็นสังขารขันนะครับมันเหมือนกับว่า จะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มหาศาลเพราะว่าลักษณะของสังขารหลักฐานนี้ครับสังขารธรรมนี้ครับเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งเกิดดับซึ่งตรงนี้ครับมันเหมือนกับว่าเราจะมีการขีดเส้นว่าเออเราจะมีชีวิตแบบนี้เราจะทําอย่างนั้นเราจะทําอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเผลอไม่ได้เลยอะครับแต่ว่าพอเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วสภาพเถลอสภาพเผลอสภาพเพลินหรือสภาพเพ่งอะไรก็เป็นสังขารหลักฐานที่ที่เป็นไปแล้วก็ มันเหมือนกับว่าสภาพที่พ้นจากสังขารนี่ก็ก็หลวงพ่อได้พูดถึงตรงจุดนี้ด้วยมันจึงเห็นความต่างว่ามันมีความต่างระหว่างสังขารธรรมกับอสังขตรธรรมหรือว่าสภาพที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นอสัมมาตาธาหรืออมาตาธรรมเนี่ยครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้มาพูดให้ให้ครอบคลุมให้ให้รู้ทั้งสองด้านให้รู้ทั้งสองฝั่งซึ่ง ถ้าเราเรียนอภิธรรมอย่างเดียวนะครับฝั่งที่เป็นเรื่องของอามาตะาธาตุอะไรเนี่ยเขาจะมองว่าไกลเกินไปอย่าไปรู้เลยมันยากมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าต้องสะสมบา ร, รมีสี่อสงไขยแสนกับเราเป็นใครดังนั้นมันเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนรอบรู้รอบด้านฝังน้อยคือเรื่องของอภินิพานธาตุหรือเรื่องอะไรไม่ต้องไปพูดถึงเป็นไปไม่ได้หรอกในชาตินี้มันเหมือนกับถูกบล็อกตัวเองส่วนส่วน วิชาความรู้สึกตัวนั้นก็ก็ทำบอกว่าเออทำมาอึดใจเดียวเดี๋ยวก็รู้ทำไม่เกินจะไม่เกินนี้รับประกันเลยสามปีต้องรู้อย่างนี้อย่างช้าเก้าสิบวันมันก็มีสองสองสองแนวดังนั้นแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเออถ้าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดมันก็เป็นเรารู้ดังนั้น อาชีเป็นเรารู้เป็นสังขารขันหมดทําให้ชีวิตมันมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันเรียบง่ายอะครับมันไม่ซับซ้อนมันไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายที่จะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเหมือนกับว่ามาขีดบรรทัดให้ตัวเองหลายๆเส้นหลายๆบรรทัดดีกรอบรอบดีตีตีตีวงตีกลงใสใ่ตัวเอง มันก็เลยเนี่ยชีวิตช่วงหลังๆนี้ครับจะทํางานอะไรหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามีปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆเป็นเรื่องของสังขารลขันหมดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเรารู้เราพูดได้ให้หยู่อีกครับกับอนุโมทนาครับแค่ข อ, ขอขอนุญาตนะคะอยากจะเสริมคุณห น, นูน้อยกับคุณจอมพงตรงนี้นิดหนึ่งว่าคือชาวพุทธเราเนี่ยเราเข้าใจผิดเรื่อง มีความเข้าใจผิดและไปเซตอุปทานคำว่าหลุดพ้นหรือนิพพานเนี่ยไปในทางที่สูงส่งจนแทบไม่มีโอกาสที่มันจะถึงได้แล้วก็แยกไปสักไก่เป็นว่าเป็นทางโลกและทางธรรมไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะในความความไม่มีไม่เป็นอะไรเนาะ ไม่มีไม่เป็นอะไรอะไรก็ได้เนี่ยมันก็คือเท่ากับประสบความสำเร็จในทางโลกไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันจะมีความพอความอยู่ได้ความถึงมีน้อยก็สำเร็จถึงมีมากก็สำเร็จความทัพ์สั่งในชีวิตน่มันน้อยเท่ากับ ประสบความสำเร็จหรือถึงคำที่เรียกว่าเซลลแอคเซเลชั ite, ่นในชีวิตโดยอัตโนมัติเลยถึงแม้คุณจะเป็นนักนิสิต น, นักศึกษายังไม่จบการศึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นเด็กๆ เ, เป็นวัยรุ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยคือคุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปเลยทางโลกด้วยกันเลยพร้อมกันมันถึงพร้อมไปด้วยกันเลยแต่ มีบางส่วนเนี่ยที่ว่าเวลาแปลหรือฟังครูบาจารแล้วก็ไปเข้าใจว่าเอ้ยไม่ได้ถ้าจะปฏิบัติธรรมหรือจะเอาทางโลกหรือเอาทางธรรมก็เอาสาทางหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าไอ้การสําเร็จทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางโลกหรื อ, อะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในไอ้ตัวคนคนหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดมาบนโลกเนี่ยถ้าเราจัดการเรื่อง เห็นความไม่มีตัวตนได้แล้วมันก็จะจัดการทุกสิ่งอย่างในชีวิตได้อย่างที่จะโตขึ้นมลสมจะมากี่ลูกมันก็ไปของมันได้จัดการสิ่งที่มันปรากฏ ต, ตรงหน้าได้ตามหน้าตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็นยังสามารถทำมาหากินได้ปกติยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกได้ด้วย หน้าที่หรือหมวกใบที่เราสวมตามที่มันเป็นเราเป็นเจ้านายก็มีหน้าที่ต้องชี้ต้องบน่นต้องสอนต้องอะไรไปมีคนมาโกงเงินเรามันจำเป็นต้องฟ้องหรือต้องทำอะไรมันก็ต้องทำไปไม่ใช่ว่าเออเป็นผู้ปฏิบัติทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงั้นเราก็เ อ, อ่อทุกอย่างก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเราก็ เป็นพูดสิ่งวิพูดหลุดพ้นไปแล้วเราเลยไม่ต้องเอาอะไรกับใครอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นที่ทีที่มันเข้าใจผิดเนาะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นตรงนี้แต่ถ้าเมื่อเห็นแล้วมันอยู่ง่ายหมดอะ่ะจะไปไหนก็ได้จะใส่อะไรก็ได้คือมันเป็นอิสระจากขันเนาะมันก็เลยเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงในโลกด้วยแต่ว่าเราก็ขอหยิบขอยืมขันห้านี้แหละเอามาใช้ ในชีวิตประจำวันและสิ่งสิ่งใดที่เรามีอยู่ข้าวของเงินทองทรัพย์สินบริวาณทั้งหลายเราก็เพียงใช้มันให้เกิดประโยชน์ตามสมควรแก่โลกที่มันเป็นเนี่ยมันก็ง่ายปกาลชนีค่ะก็ขออนุโมทนากับพวกเราเนอะก็ยมแมม่ได้ผู้ชัดเจนมากเนาะเราเชาวพุทธนะ ส่วนใหญ่ก็จะไปไปเรื่องที่เป็นเรื่องของอุปทานทั้งส่วนใหญ่มีคำว่าได้และมีคำว่าไม่ได้กันนั้นถ้าผู้ที่ฝึกสติดีแล้วก็จะเป็นสติที่ความรู้สึกตัวว่าจะไม่มีเราในปัจจุบันเนี่ยก็แล้วไม่คือไม่มีที่จำได้คือหลวงพ่อเทียนท่านพูดนั้นนะไม่มีและก็ไม่เป็นคำว่าไม่มีและไม่เป็นคือปัจจุบันมันไม่มีแล้วไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเนี่ย แต่ถ้าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเนี่ยเพราะคือสิ่งสิ่งเดียวกันมันไม่แบ่งแยกเนาะตับไดถ้ามันมันมีสังขารเมื่อไหร่ความแบ่งแยกก็จะแบ่งความดื่มละํา่งก็จะทําให้เราห่างไกลจากสิ่งที่มันว่างอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราใช้คําว่าเฉลียวใจเนาะแต่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> กาลยาณมสูตรนะพระเจ้าพระท่านบอกให้เชื่อสภาวะนะที่กําลังปรากฏคือขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ว่าตั้งตัวตรงดํารงสติรู้เฉพาะนั้น รู้เฉพาะหน้าคือขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่พวกเรานี่จะไม่รู้ตัวกันคนที่รู้ตัวนะ่ะมันจะไม่มีตัวเราปัจจุบันนั้นสติก็ต้องเป็นสติที่ไม่มีตัวตนในปัจจุบันอ่ะมันจะเป็นผู้ที่หาประโยชน์ได้ง่ายนะหมวนาะ